นั่ง่าสบายเลยนะเอาจัด่าจัดทั้งให้สบายใจเนะเร้ไปทําให้สบายใจวันนี้เราจะใช้แต่เรารองรับจิตโอษพุทธองค์ทรงเมตตาเสด็จมา ปบันวันนี้เราจะมาได้ขึ้นไปหาพระจต่เราจะรับเสด็จพระเสร็จพระส า, สระาตรัดสมมาสัมพุทธเจ้าที่ระองค์ทรงเสด็จมาสังเคาะห์เราเมืวานนี้เราได้แนะนำเอาไว้ในเรื่องของบารมีสิกประสังโยตสิก วันนี้ข้านำเอาสิ่งนี้มาตกลงไขรวอพิจารณาของเราก่อนสิงใดที่ขับตกลงแล้วก็ทำให้มันเป็นเสี้ยก็หมายความว่าตั้งใจจดจอ่อเอาใจจดใจจ่อไว้อย่างน้อยเราต้องเป็นคนที่มีสิ่งเชื่อว่าการการให้ เราทำเป็นปกติแล้วแต่เราที่จะคิดเด็ดเป็นกับบุคคลใดไม่มีไม่มีในใจของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใายควรให้ศีลสิขาบทที่เราตั้งจจรักษาวัาในใดสิศีลห้าประการก็ดีการบท10ก็ตามหรือศีนแปดก็ตาม สิ่งของเราบริสุกิไหมเอาเวลานี้นะถ้าตั้งใจกันตอนนี้แต่จะไม่มีเรื่องท้างค้างคาใจเราคือจิตวเจตนาคือตั้งใจรู้ตัวด้วยตั้งใจด้วยคิดไปก่อนล่วงหน้าด้วยที่จะทำร้ายหรือ ท, ทำ้ายชีวิตของคนรักบ้ในใจเรามีไหม เรายินดีที่เห็นคนอื่นเขากระทำอย่างนี้ไหมที่เราไม่ยินดีเพราะอะไรเราไม่ยินดีที่เขาฆ่าใครไม่แต่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เราไม่ยินดีที่เขาลักตัดเราไม่ยินดีที่เขาคิดประพฤติในต่าไม่ยินดีที่เขาพูดโกหกมัดแท้ ทำลาจประโยชน์คนอื่ไม่ยินดีที่เห็นเขาดื่มตัวรามในไหนไม่ยินดีด้วยแล้วก็ไม่ยุยติยงส่งเสริมให้เขากระทำสิ่งนี้ด้วยไม่ยินดีไม่เห็นเขาพูดวาจาเพ้อเจ้อแล้วไหนไม่ยินดี เ, เขาพูดวาจาหยากคายต่อเตืยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตั้งเจตนาของใจแล้วว่าระเบดบนี้ ใจของเราตั้งอยู่ในองค์ของศีลซึ่งบริสุสทธิ์ริสุทธิัพระเจตนาัวตั้งใจของเรานนี้เราไม่คิดจะทำแล้วก็จะรู้จักว่าทำมาเลยเราจรึงไม่คิดทำเราเห็นอะไรสำคัญและจึงตักสินใจไม่ทำบางท่านอาจจะบอก ว, ว่าเรากลัวนรกเพราะฉะเราพาดแวนี้ ว่าเราจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่และสิ่งที่เราตั้งเจตนาอาธิษฐานใจของเราไ ว, ว้ก็ขอพระอริยพนเป็นที่ไปหรือแมกก้จะขอพระโพธิญาณอนาคตกาลต้นนาจะปรากฏแกเราชนหนเราก็คิดไปเหตุที่เราไม่คิดจะทําแล้วก็ไม่คิดจะยินดีด้วย ไม่คิดจะส่งเสริมไม่ใครกระทำด้วยบางคนอาจจะคิดว่าก็มันทุกข์ทุกแค่นี้ก็ทุกข์มากแล้วแล้วเราต้องไปทุกเป็นสัตหารกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุ ร, รกายหรือกลายเป็นสัตว์รนชาติอีจะไหวรือทุกขานาด น, นี้เราก็หนักเต็มทีแล้วแต่จะตัง้งใจระเบยดเด่นคนอื่นเขาเดือดร้อนันทําไหมนึกว่า ความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ของเราก็มีทุกคนมีคนที่รักมีพ่อแม่พี่น้องลองเขาต้องขาดซึ่งความรู้สึกเสียใ จ, จกับคนที่เขารักก็มีอันตรายคนที่คนที่เขารักต้องตกเป็นของคนอื่นไม่ว่าสาจะคัดค้านไปแไปที่เราไม่ได้ยินยอมยินดีความที่อกเสียใจมันเกิดขึ้นมัจากทุกข์ไหม การที่เราต้า ย, ยินโดยฝั่งคนก็มาโกหกเราทำลายประโยชน์ของเราเราทุกไหมแล้วเราเป็นคนเองก็ทัดตันแดดเนี้ยมันทุกไหมว เ, มเหวลาคนมาเดินเวลาในลายแล้วมันสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวก็าเอสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมสร้างความวุ่น ว, น ว, น ว, นวายมันก็ทั้งตัวเองขาดสติตไร้ปัญญามันเป็นทุกไหม ทุกอย่างนี้เราจะยินดีให้กขาทำไหมล้วจะส่งเสริมเข้าไหมแต่ทุกอย่างนี้เราอยากจะทุก ด, ด้วยตัวเองไหมแต่เะปฏิเสธอย่างจริงใจในใจของเราแท้ๆว่าเราไม่อยากทําแล้วแล้วก็ไม่หนักต้องการจะเป็นยินดีเห็นใครเขาทาก็มีจต่ความสงสารแล้วก็สลดใจ เห็นแจว่ากรรมนะใครทาเนี่ยก็ต้องมีกรรมกรรมของการฆ่าตัดแต่ชีวิตเขาก็ต้องเกิดจะเป็นตัดในไรชาทานเขาฆ่าตัวละห้าร้อยชาเนี่ยเราเองถ้าเราไปทาเข้าเราก็ต้องเป็นอย่างนะั้นเป็นมนุษย์ก็ไม่จะเจ็บเป๋คข่ในสบายถ้าค่าตัเป็นปกติหรือว่านิ้จิตใจโหดร้าย ไม่มีคำ ว, ว่าไ ม, ม่สามารถแต่นิดเดียวทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งคนก็ทำได้คนประเภทนี้เวลามีโรคไข้แค่เจ็บก็จะมีโรคร้ายๆโรคที่คนอื่นเขาเป็นได้ยากมีแต่ความเกลียดแทนแล้วก็ทรมานเป็นทุกข์ไหมมันเป็นความทุกข์ที่เราเห็นคนเหล่านี้ก็จ็บไปแค่ไม่สบายนี่เขากรรมปานาจินบาศ คือฆ่าสักจากชีวิตเห็นความทุกข์ที่เขาต้องเจ็บปวยไขย้ไม่สบายเห็นที่โรคค้ายมาเยือนเขาและเขามีความหวัดหวัดหวัดกลัวกับความตายที่จะมาเยือนคนที่มีศีลก็จะไม่เหมีโครคไข้ไข้เจ็บอย่างนี้ไม่ทรมานแบบนี้ถ้าเรเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มาติดศีลมาเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างรูปางด้วย มีในร่างกายของเราบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยโครคภัยไข้เจ็บก่อจิตเบียดยัน้อยมากถ้ามีก็เป็นเรื่องปกติตามความไม่แน่นอนของธาตุขันแต่จะมแต่เลาร้ายเพราเหตุแห่งกรรมที่ทําปานาธิตบายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยๆจิตของเราทบทวนพิจารณาตัวเราเองแล้วก็มองไปสู่คนอื่นด้วยว่าสิ่งที่เราไม่ทําเป็นเพราะอย่างนี้ เราไม่อยากให้คนอื่นเขาทำเพราะมันเป็นอย่างนี้แลวก็ไม่อยากจะยินดีเห็นคนอื่นเขาทาเลยเพราะมันน่าสงสารส<ม>งสารว่าเขาต้องไปนรกต้องไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรากายตไปเป็นสัสตว์ในแดนชันสงสารว่าเขาต้องรับกรรมที่ทาไวในช า, าติเกิดจุบันและคนที่ฆ่าสัตวเป็นป ก, กติมีเท่าไหร่ก็หมดนะรักพุทย์ไม่มีคาว่าอยู่ ให้เขาได้ชื้นสมยินดีให้เขารู้สึกสบายใจที่จะหามาได้มากก็หมดกินเนื้อประดาตัวหามาได้เท่าไหร่ก็เป็นนี้เป็นสินยืมมากก็เป็นนี่มากที่จะมีเงินล้านล้านพันล้านที่ได้มาจากการฆ่าตัดปฏิริษีก็ดีแ้วก็เป็นหนี้ร้น้นเป็นนี้อยู่นนวันนี้ครับไม่รู้จักหมดไม่หมดนี้สักทีไม่เหมือนคนที่มีจิตใจดี ที่ก็มีสินบริสุทธิ์ีนจะเป็นคนยากเปเนขีนใจแต่เขาก็มีเมทคนิคใช้ใช้ด้อย่างสบายใจขินที่นํามาที่โคคาทัศน์ในศิาปาเป็นอยู่ไม่เดืยวร้อนไม่เป็นหนี่มีก็ไม่รู้จักหมดมันใกล้จะหมดมันก็มีไหมถ้าได้มีตามพอดีเกิดขึ้นเส ม, มอกับคนที่มีสินเห้นคนมีขินมีความสุขไหม ก็ตังางใว่ามีความสุข ด, ดีกว่าทุกตรงที่เป็นนี่เอือป่าทุกใช้แล้วไม่รู้จับพอมันมีเรื่องต้องจ่ายมันมีเรื่องตจงหมดเกินไปแล้วก็ต้องคอยไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามาถึงจะมีหน้าทีการงานดีถึงจะมีสิ่งต่างๆเอื้ออานวยให้เขาได้รับตับมากก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่เครื่องเป็นเครื่องฟ้องให้เขาให้เราได้เห็นว่าเนี่ยอย่างไรคนพูดสิคนพูดสิหาความสุขจากการจัดใจ่ายใช้ส่ายไม่ได้ หมายความว่ามีไม่พอใช้แต่ถ้าคนมีสินไม่กลัวเรื่องนี้ถึงจะยากจนสินใจเพียงใดจะมีน้อยเพียงใดก็ตามจะได้มีความสบายใจกับการจัดจ่ายใช้่อยเห็นไหมว่าความทุกข์ของคนทุกสินนั้นมันมีเยอะและเราจะไปยินดีเพี่งก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันน่าสงสาย จะไปยินดีเขาเราก็หมายถ้าเราชอบทุกเหมันอย่างเขาเราถ้าเป็นคนจนเนื้อที่พวกกรตักน้อยเราชอบเป็นโรใครใจไข้เก็บเราชอบขาดความรักขาดความคนเอารบนอบ น, น้อมขาดคนเชื่อถือแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีสินบริสุทธิ์ก็จะมีสิ่งที่ดีๆกลับมาสู่เราคือมีคนยินดีกับเรายินดีในสิ่งที่เราเป็นคนมีศีล ยินดีที่เราเป็นคนหน้าเคารพเลื่อนใส่เขาจะกล่าววาจาได้สิ่งใดเขาจะกล่าวด้วยปากอดน้อมยินดีเสมอดังน้นเราก็จะมีลรคภัยไข้เจ็บน้อย เ, ด, nói, เด็กเกิดน้อยตั้มันก็จะไม่ถูกมาลายหายขึ้นไปไม่ถูกทําลายไม่มีไม่ถูกใครเขาก็หมยไปผู้ชายบางคนเป็นชายก็จะไม่ดีได้ว่าอยาสอนอย่าง ก้อนเหตุแห่งการที่เราทําให้คนอื่นเขาเสือร้องทางใจอย่างนี้เป็นต้นเราให้เครื่องพิจารณาดูก็เพื่ออะไรพเพราครืงตามตั้งใจที่เราปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานเราตั้งใจไปนิพพานเราต้องมีถึงบริสุทธิ์ในยิ่งเวลานี้เราตั้งใจจะรอรับองค์ เ, เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ต้องไม่ตมมาตรึงเสร็จมาทรงข้อเราเราก็ต้องเอาใจของเราที่บริสุทธนี้รองรับด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ใช่อารมิตบูชาคือไม่ได้เอาสิ่งของใดๆมารองรับแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างถ้ามีเราก็อเอาสิ่งของที่ดีที่สุดที่เราสา ม, มารถรองรับได้เอามารองรับพระพุทธองค์เหมือนครั้งที่องค์เสด็จพระชนม์บ ร, ร, บรมมาศาตด์ปา สัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรงพระชนชิดอยู่แค่ตั้งใจฟังไปถ้าใครมีกำลังแห่งคิดจักกุญาก็ดูไปจมั่ใจก็เราให้สงบสบายสบายไม่ต้องไปเป็่ยนอะไรตั้งใจตรงโป ร, โปรฟังฉันไปก็แล้วกัน ว่าเราควบคุมใครควรตัวเราเองว่าเรามีจินบริสุทธิอยู่แล้วเวลานี้มีวอนทักหลักการของเรานะอะไรมีควรแต่เ้าบังไหมเป็นจีวารราา่างกายนี้มันสะอาดหรือมันสกะปรกมันก็สกะปรกแค่ผิวหนังห่อหุ้นเอาไว้ยังสกะปรกอย่างเชียนนี้แล้วใครไห่ที่มันห่อหุ้มไว้ละมันจะสกะปรกอย่างไหน รูสมนมพันก็แปรเปลี่ยนไปแม่แต่จากอะไรกันดอกไม้ไม่นานมันก็แห้งเหี่ยวหมดตามสวยหมดตามงามหมดคิวพันที่ควรจะรจรขึ่นสมดินดีหมดคิวพันด้่เป่งเป่งหมดกิ่นไม่จะกลิ่นเหม็นมากขึ้นกลิ่นสกป ร, ปรกปากดมากขึ้น ในนั้นนี้เราจะสนใจอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่งางๆเพราะสิ่งที่หมักหมงเข้าในร่างกายของเราไม่ว่าจะมาจากอาหารไม่ว่ามันจะมาจากสิ่งใดล้นแล้วจากป็ น, นไปด้วยความส ก, กรปรกโสโครกทั้งร่างกายขึ้นชื่อว่ารูปหรือร่างกายของเราอย่างนี้ตอนนี้ไม่สนใจตายเดี๋ยวนี้ก็ต้องตายก็ยอมที่จะตาย ดีกว่าจะมาอาแสน ร, ร่างกายที่จาะกระปรีกต่อไปเราเค่อยๆคิดไปจะถามว่าเราพยาบามอาคตาิใครไหมตอนนี้เราต้องการวิปานเย็ดเราก็ต่ายแล้วใครจะโกรธก็โกรธไปใครจะจองล้างจองผ่านเราก็จองล้างจองผ่านไปอยากเราร้อนก็เราร้อนแตคนเดียวเราไม่ร้อนด้วย เราต้องการ้ผ่านมีความเยียกเย็นสงดแล้วก็เป็นสุขของเรามากกว่าที่จะไปอยู่ในแดนนรกให้ไฟนรกมันเผาผ่านใจเราทำไมนั้นแลึงคืนจว่าเราจะไปนั่งโกโกรธด้วยป่าไม่ทราบใจกับคนและสักวใดๆตอนนี้ไม่มีอาว่าง่วงไหมใจเราใจจัดใจใจ่อ ตราบใาที่ใจเราตั้งใจจดใจต่อที่จะลองรับรอรับพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรงเข้าเราเราจะหลับตาลงได้อย่างไรค่อเราจะหลับไปได้อย่างไรถ้าเราหลับเราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้านะทีนี้น เ, เวลานี่มีอารมณ์ตรงสร้นไหมไม่ตรงแล้วไม่รู้จะโลกไปเพื่ออะไรจะไปโกรธใครจะไปหลงอะไรตายเดี๋ยวนี้ก็ดี เดวเาะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระพุทธเจ้ามาส่องเข้าเราเราจะได้เห็นพระพุทธทเจ้าชรดเจนแจ่มไสเราจะได้กราบพระบาทพระองค์เสะเดชพระบรมมรรูเราจะสร้างทำไมลังเลสงสัยไหมไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะอะไรเราไม่สงไไสงไไัยในความดีที่พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าตายเนี่ยมันตายจิตไม่ได้ตาย เรื่อนี้ไม่สงสัยร่างกายมันต า, ตายแน่แต่จิตนราไม่ตายจิตของพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายจิตของพระอรหันต์ก็ไม่ตายจิตของใครก็ไม่มี้ตายทักคนดังนั้นองค์เส็พระพุทธมรมาดาสดากย็ยังมีชีวิตอยู่จิตของพระรองค์ยังอยู่ตารเป็นพระพรทธองค์ก็ยังอยู่น้าพระชายาพระองค์เปรียบพระจำแต่บรมามาดสดาเคยปรากฏมีเมื่อคั้งทรงเป็นมนุษย์เวลานี้ก็ต้องมีเหมือนเดิม ตัวร่างกายโลกหรือทวารร่างกายขององค์เทกพระจอมไตรปฎมบารสกาก็าจะลายขึ้นไป mm hmm. และเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ปรากฏเอาไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายได้กราบได้บูชาจิพระปรมาส า, ศารีกิกธาตุ mm hmm. น, นี่วันกวนใจเราไหมมันกวนใจไหเราไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจมั่น ทีนี้ล้วก็นึกถึงองค์เสด็จพระทรงจงทันบรมภาสดาสัมมาสาัส ม, สมพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธองค์มด้ตรัสทรงข้อเสด็กมาปรดเร้าพระพุทธเจ้าในชาตก่อนๆและในอดีตที่ผ่านมาทิ่เชื่อว่าเจอทุกคนต้องได้เกิดทันพระพุทธเจ้าหน้าครั้งยังทรงพระสนจิต แม้องค์ปัจจุบันคือพระเดชพระสัมมนาโคดมเธอก็ต้องมีโอกาสได้เกิดขันธ์้างใหม่พระองค์จะได้เกิดเป็นอะไรเป็นชายเป็นหญิงจะเป็นคนแล้วว่าเป็นสัตว์หรือจะเกิดตอนนั้นจะเป็นเทวดานางฟ้าได้เป็นพระองค์ก็ดีแล้วก็ทําธ์พระพุทจ้าคือยังได้เห็นพระพุทธองค์อยู่ดีเป็นเทวดาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้า เป็นพระองคก็ได้เห็นพระพุทธเจา้าแตสมัยเป็นมนุษย์แหลกจะเห็นพระพุทธเจา้าไหมเวลาที่เรามีศรัทธาต่อองค์พระเดชพระสามามาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจา้าจะ ก, ก, กระเด็ดเราโปรยเราเราจะทํำยังไงลองถามใจเราดอว่ารวเราจะทํำยังไงเมื่อไเราตัวเราดีใจมาก ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะตรงโปดรดเมตตาเตรตมาหาเรามาทรงเคาะเราเราจะทำอะไรทำอะไรดีกับพระองค์ดีจะทำยังไงเพื่อรองรับความดีของพระพุทธเจา้จาอย่างน้นเราคงต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นมนุษย์ที่เราพอหาได้จำไว้หนึ่งที่ พระเดคุณหลวงพ่อภาษารีบุตรและหลวงพ่อพโมกขลาสมัยที่ยังท่านยังเป็นพระดาวดสมัยนั้นองค์พสะเดพระรมมาจุก็รงมีพระ น, นามว่าอะไรเราจำไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมัยนั้นท่านได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลก ถ้ามีวามปรารนาใครอย า, า, ากจะฟังธรรมจะองคเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเึงรัตนารรนิมนต์องค์เสด็จพระบรมสุคติเสร็จมาโปรดท่นานหน้าตาที่เป็นอาสมที่ท่านได้อยู่องรรค์เสด็จพระบรมโคก็สรงรับนิมนต์แล้วก็มีพระอรหันต์มากมายนับเป็นเดืนแสนตามเสด็จมาด้วยดูแม้ว่าหลวงพ่อพระสารีบุษษตรสมัยนั้นกระลังพระพรมโมกขลาท่านทำอย่างไง ดังนั้นท่านต้อ ง, งอภิญญาสมาบัตะท่านก็เลยนำมิตรดอกไม้ทเป็นของหอมมาประดับประดาสถานที่ที่พระเจ้าจะทรงเกล็ดมาประคับนั่งเป็นที่ดีที่สุดที่สามารถจะทําขึ้นเกิดขึ้นมาได้ท่านจะทํอย่างนีขึ้นมาไม่เพียงแค่ดอกไม้ ใจที่ที่ท่านทํำพฤติการสํารวงใจของท่านใจของท่านท่านตั้งอยู่ในองค์ของสมาธิท่านเข้าสมาธิการสมาบัติที่ท่านทําได้ท่านทําถึงที่สุดที่ท่านทำได้พระพุทธเจ้าเมื่อสัตรองคเสร็จมาแล้วก็ต้องเข้าอิริยาสมาบัติ ถ้าอหาันทั้งหายก็เข้าในโรทันสมาบัติท่ามกางสิ่งที่ดินดอกไม้ของหอดมากมายหลังจากที่พระองค์ทรงคายสมาที่โลทัสมาบัติแล้วก็ทรงแสดงวัฏโมเหชนาโปรดหลวงพ่อพระมคคาราลวพ่อปัสาไบุตรสมัยนั้นที่เป็นพระดาบดแล้วก็เก็นบริวารของท่านเจนบริวารของท่านเป็นพออระอรหันต์ทั้งหมด เลือท่านสององค์ยังไม่เป็นเพราะท่านป่าจันายจะเป็นพระอภรัสสาวกองค์ใดองค์หนึ่งในพระพุทธเจ้าองคไดองค์หนึ่งในอนาคตศาสตรแค่ก็เลยไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่สนใจพระอารหันที่เป็นอัภรัสาวกเบื้องต้ายแล้วก็เบื้องขวาเขาอริษานกระดาสมาสระพทธเจ้าองค์นั้นที่ควรเชิญพามาดูกัน ก็เพืให้ให้ความสําคัญว่าเราเนี่ยมีแบบนี้อย่างของผู้ที่เจริญแล้วที่จะรอรัองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโป ร, สรดสักตอนสำหับเราสิ่งที่ดีที่สุดคือความดีที่ใจเรามีนี่แหละการปฏิบัติปุตตาแห่งใจของเรานี่แหละการสงบแล้วซึ่งมีวอนต์ห้ ป, หประกาศอย่างการไม่ใช่คนที่เจริาใจพอเราให้บริสุทิ์ของนั้นอย่าง ทำจนปามสามารถที่ใจของเราจะเอาใจที่บริสุทธิ์เพื่อจะได้รองรับพรบาทพ ร, ระองค์เสด็จพระบรมวนโลกกันหน้าเสด็จมาโปรดเราเนื้อทีรษะเราเพ ท, ทําทํารรมใจของเราสิและเดคือว่าคามเมตตาความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ตรงมีกันเราหาประมาณไม่ได้ตรงมีอยู่แล้วใจใจของเราจะรองรับให้พระอ ง, งะค์เสด็จประทับยืนบนศีรษะของเราได้ไหม ตั้งอารมณ์ใจเป็นไหมถ้าไม่เป็นจะแนะนำให้กึกตั้งอารมณ์ใจีอยากมีความอยากนะสักิีอยากมีความกังวลคิดไปก่อนนะสักทีจงปล่อยวางใจเขาเราพิจารณาใจเราว่าเราเนี่ยขัดใจขัดขเกลาใจเราเหมือนแก้วใส เห้มันกระโดงแก้วใสใสลอยอยู่เนือทิศตะและบนทิศตะของเราเขาขัดเกลาใจของเราให้ใสใสเท่าที่เราจะคิดว่ามันใสได้ใสเพราะอะไรใสเพราะเรามีศีลบริสุทธิ์ไหมเขาพยายามถามใจเราแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแล้วก็กล่าววาจาในใจว่าสิ่งของเราไม่บกพร่องตอนนี้ไม่บกพร่องที่ผ่านมาแล้วไม่สนใจ เราตายตอนนี้เราไม่ตายย้อนหลังสิงคโร์เราตอนนี้บริสุทธิ์ไหมแล้วก็ถามใจเราดูาสิงคโปรเราบริสุทธิ์ใจขอเราจะใสสะอาดดีไหมนี่เนี่ยเราไม่มีความโลภในตอนนี้โกรธเราก็ไม่มีหลงเราก็ไม่มีสนใจอะไรใจของเร า, าใสสวยดีไหม มันเอาดวงแก้วดวงหนึ่งที่เป็นใจของเราใส่ใส่เท่านี้บนศีรษะเราแล้ว้าโดยใจของเราว่าเรานี่มีอะไรเศ้าหมองไหมมีเรื่องกังวลใจอะไรไหมตอนนี้ต้องการอะไรอีกไหมนอกจากว่าหากร่างกายมันตายก็ตายไปเราจะไปไม่พาย เราตั้งใจขอเราอย่างนี้เอาความรู้สึกของัใจนะไม่ต้องเช่งให้มันเห็นอะไรอย่าไปสนใจเรื่องภาพสนใจอารมณ์ใจเราว่าเราวางอารมณ์ใจเราเต็มไหมอารมณ์ใจของเรามันโปร่งเบาสบายไหมรู้สึกมันเบาสบายใจจังเลยรู้สึกมันยินมันย็นบาศีรษะเรา มันมีความเย็นเยนสบายดีจังมันมีแสงสว่างหรือบนศีรษะของเราสบายใจจังมีความรู้สึกอย่างนั้นปรากฏไหมเป็นอารมณ์ของใจเอาอารมณ์ใจเป็นจิตตังนะอิงที่ปรากฏจริงๆมันจะเกิดสิ่งที่เป็นผลแห่งใจที่รับได้คืออารมณ์อารมณ์มันตร่งเราก็รู้ว่าโปร่องอารมณ์เบาเราก็ต้องรู้ว่ามันเบา ถ้าอารมณ์หนักเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้มันนักถ้ามันหนักจิด เ, เราคงไม่ใส่เราไม่มองที่นิมิต น, นะมองที่อารมณ์ใจเราใจเราเบาไหมส บ, นะบายใจดีไหมสบายใจดีไหม มันโปร่งใจดีไหมแล้วกระดูกที่ตรงนี้แล้วสึกใจมันโปร่งใจดีมันสบายใจจังเลยแล้วก็นึกถึงเสนอพ่อขอพระพุทธจ้าองค์ในตาสงองข้อเสร็จมาประทับบนศีรษะของลูกเอเทศและพุทธเจ้าข่ายอย่างนี้กระทรงประทับนั่งประทับเยืยนประทับนอนใส่ญาติก็สุดแล้วแต่ในความรู้สึกของใจแล้วไม่ต้องไปกำหนดเห้เป็นอะไร เอาว่าใจเรารู้สึกอย่างใดก็รับรู้ไปตามนั้นแล้วทีจะรับรู้มาอีอารมณ์จะว่ามันสว่างใจจังเลยไปมีปรากฏไหมเย็นไปเดิมอีเย็นไปที่เคยเย็นมันสครูนี้อีมันโปร่งมันเบาสบายเหมือนชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วความวุ่นวายใจคิดอะไรแตกนี้ก็ไม่คิดแล้ว ต้องการอะไรสักหน่อยก็ไม่ต้องการอะไรแนละ้วมันชุ่มจริงใจดีจังเบาใจจังเลยเพราพะพระเจ้ใจอยู่กับเราดีจังเลยอารมณ์ใจเราสึกแบบนี้ไหมเราก็ต้องใช้ความจริงเป็นเช็คเพื่อทีเท่เช็คใจเราเองนะไม่เอาภาพเอาอารมณ์ ถ้าใครมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันเบาสบายสบายเบาความวุ่นวายไม่ปรากฏใ น, ในใจเราตอนนี้เขาว่าอยากตัดนิดนึงไม่เกิดขึ้นในใจเราเลยอยากเห็นก็ไม่มีอยากรู้ก็ไม่มีมีแต่ใจที่มันสงบสบายเหมือนคนที่ไม่ทําทำอะไรและอยากจะอยู่อย่างนี้ น, น, นาน ก็เราได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, จาตรัสแม่สาวเสด็มาประทับบนศีรษะของเราจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏบนศีรษะของเรามันมีแต่ความเย็นสบายแผ่ครอบคุมไปถึงทั่วสารพังกายของเราตอนสว่างมันจะสว่างเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นมันสว่างจ้า พระัยของเราเริ่มเห็นทัดขึ้นสบายใจคิดแล้วก็อารัตนาวารามีองค์เสด็พระบรมครูพอได้โปรดประทานเป็นพระจำปาจรัจงสี่รัตนีหกประการให้ปรากฏให้ข้าพระพุทธเจ้าให้ชุ่มชื่นใจักากล้งในเถิดพระพุทธเจ้าขาอย่างนี้เรากำหนดใจตั้งใจจริงๆ ดูอารมณ์ใจของเราสิมันดีขึ้นประเดิมนิดไหมมันเบากว่าเดิมไหมไม่ใช่เบาอย่างเดียวแล้วดูว่ามีกำลังวังคาดีไหมมันมีพลังของใจอย่างมากมายมหาศาลอยู่บนกิจสตะ์ห่งเรา เราจ่คิดอะไรเนะี่ยมันคิดง่ายมากเห็นอะไรก็เห็นง่ายมากแต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วไมอยากเห็นอะไรมันมีความโป่มีความเบาสบายใจเราจังเลยตน้ตนๆแเราก็วางอารมณ์ของเราให้ดีตอนนี้เราสวยอารมณ์ ล้วกำลังเก็ไว้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธานุภาพจากใจของเราที่เรารองรับก็ไม่ตามบารมีที่องค์เสด็จพาะสินนสีบรมมาตาสดราชส่งเสด็จมาโปรดเราตนที่สักแล้วเกชบจอารมณ์ไว้ในสิ่งที่จะได้เก็ไว้อารมณ์ คำว่สวยๆคือได้รับผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขแล้วก็เบาสบายเมื่อสวยอารมณ์แล้วเธอก็รู้จักรักษาอารมณ์ไม่ให้อารมณ์นี้มันตกพออารมณ์มันตกเธอทํำยังไงเธอจับใจของเธงใหม่ เชิปีนของเธอใหม่ซิเอ้ยเรามีเรื่อ ง, องกังวลใจอะไรรึที่เรายังไม่คิดจะไปนิพพานจริงจริอรึที่เรามาติดขัดอะไรอยู่รึเรายังอยากอะไรอยู่อีกหรือเปล่าปัญหามีไหมนางเสยเสยานต้องการอะไรอีกไหมตัดสินใจไม่เอาอะไรแล้ววางวางทุกอย่าง อารมณ์ร้อนก็ไม่ปรากฏในใจอารมณ์อึดอัดก็ไม่ปรากฏในใจว่ามันเสียทั้งหมดแล้วก็กลับไปเห็นดวงใจของเราที่ใสขึ้นมาใหม่เห็นลักษณะสว่างสวัยที่เย็นเหนือที่สใสของเราบางคนอาจจะเห็นเป็นรูปพระสมฆ์พองค์เสด็จพระรมพรครูลักษณะใดลักษณะหนึง่งบางคนอาจจะเห็นเพียงแค่แสงสว่างจ้า ความคิดกขราบางคนจะมีความรู้สึกว่ามันโกรมันเบารู้สึกว่ามันเบาคิดจักเบากายเบาใจมันไปอารมณ์ที่ น, นุ่มนอนนี่คือการาารักาอารถ้ามาจตกก็ทาแบบนี้ ก็้วไปยกเคลืนตัวเราใหม่แล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ปล่ยไว้อารมณ์เดิมที่เราได้ปลเวยขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ของตัวเอาไว้อย่างไม่ให้นานตั้งเวลาไปที่เราเล่นสุดห้านาทีสิบนาทีตั้งไว้แในกองมากไปทำที่ไหนก็ได้เล่นตามหลักการ แต่ทําลักษณะอย่างนี้ตึกเอาไว้ตึกรักษาอารมณ์ตึกวางอารมณ์ตึกสวยอารมณ์กาพปกันจำไว้นะอย่าสนใจรูปถ้าปรากฏก็ปรากฏไม่ปรากฏก็ไม่ต้องกังวลในรูปในสิ่งที่ปรากฏในใจเราเห็นไม่เห็นไม่สําคัญหรอกแต่ที่เห็นจริงๆก็คืออารมณ์ใจเรา นั่นคือของจริงของจึงปรากฏจะเราและจืออารมณ์มันโปร่งหรือว่าอารมณ์มันึกดนั่นของจริงปรากฏแน่นอนแต่เรื่อปรากฏจริงหรือไม่ปรากฏจริงไม่สําคัญไม่ปรากฏก็ไม่สําคัญปรากฏก็ดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแค่ซึมซึ้นต่ว่าในเราได้เห็นแต่อารมณ์ใจนั่นแหะเราน kind of pues nope. ั้นแหละได้รับเต็มเต่โปรงหรือว่าไม่โปร่งเบาหรือว่าไม่เบา ปิอัดรว่ามันไม่ปิดอัดอันนี้จะเป็นเครื่องวัดเิ็นที่จะได้รับผลในการตั้งใจปฏิบัติเราวนี้จำไว้ให้ดีนะทุกคนนะเอาไปฝึกกันนี่จะเป็นกำลังของอภิญญาสมาบัติก็ะต้อมโนยุิดอย่างนี้จะเป็นวิชิต ที่เราอาศัยพระพุท ธ, ธานุภาพหรือ พ, ธธพระพุทธสติกมาฐ า, านก็ตีพิจาราโนยยจิตนั่นแหละแต่เราทาใจของเราแบบนี้เพื่อหนษาอารมณ์จับเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญนะอย่าจับภาพเป็นสำคัญ อารมณ์เราเนี่ยจะเป็นสุขสงแล้วเราสามารถจะรักษาอารมณ์อยู่ทุกสถานที่ได้ตรงไหนเราก็สวยอารมณ์ตรงนี้ได้ดึงอารมณ์ขึ้นมาเข้าสู่อารมณ์ที่เราทําได้ที่ละสุดของเราไปกว่ารักษาอารมณ์ใจของเราไว้ระดับนี้จริงที่ตามมาจากที่เจอสวยอารมณ์ว่าเจอคิดอะไรมันจะคิดอย่างละเอียดปราณีว่าเจอปัจนาจะรู้อะไรมันก็จะรู้เห็นอย่างชัดเจนและกรจ่างใส เม่เราสัมผัสสิ่งใดสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเธอจะไม่มีอะไรติดตามเธอได้เลยแล้วเมื่อเธอทำการกระเดกออกไปทั้งตัวไหนมันก็กระเดกไปทั้งตัวไหนได้อย่างเต็นที่เป็นอภิญญาเต็มเต็มการรักษาอารมณ์เริ่มต้นต้องรู้จักว่างอารมณ์ใจาำได้ไหมเอาว่าอารมณ์ใจอย่างไรต่อเพราว่าอารมณ์ใจได้แล้วก็จะไหวอารมณ์ ว่าจะไว้อารมณ์ก็ต้องรู้จักรักษาอารมณ์ที่เราต่วยไว้อย่าให้มันตกถ้าตกตก็กลับมาวางอารมณ์ใหม่แล้วก็ไปต่อยอารมณ์แล้วก็ไปรักษาอารมณ์ของเสีไว้แค่ตึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้มั่นคงเลีนตาหลับตาทำสิ่งใดพยายามทำเอาไว้เสมอเราจะทำใจเพราะเราจะเด็กจําสิ่งที่เป็นของรอรักความบริสุทธิ์ของที่วอารัตนาบารมี องค์เสดพระจินนาสีปรรมบาลศาสตาเสร็จมาประทับเนื้อทีตระของเราทุกวั น, น, นยยใใกันจะเติมใหญ่ละเข้าใจไหยจ๊ะฉะนั้นวันนี้ก็ผมไม่แนะนำอะไรมากไปกว่านี้ วันนี้ลราตั้งแต่วันอาทิตย์จะจะแนะนําเรื่องของมโนยุทิ์แต่ก็สายจะต้องคิดเหมอเหมอสิที่กล่าวมานี่แล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติหากเราฉลาดที่จะใช้กําลังของมโนมยุทธิหรือคนที่ยังไม่เกิอสุขมโนยุทธิ์ก็สามารถกระทำสิ่งไม่ได้ไม่ยากเริ่มต้นกระทำอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นทบคทวน ในบารมีทั้งสิบ้อิ่ตอนที่ทางตินของเราไปให้คนใจของเราไปให้สะอาดสะอาดกินเราบริสุทธิ์ไหมแล้วก็ทําตัวเองไม่อยากที่แ น, นะนอาทบทวนไปทุกวันก็สะพ้เยจนใหม่ๆทําเลยทบทวนเลยวันนี้เราจะตั้งใจรักษาจินให้บริสุทธิ์นะไม่ทําเองด้วยที่ไม่ทําเองเพราะอะไรเราก็ต้องมีคําตอบในใจเราที่ไม่ยินดีเองก็ทำเพราะอะไรแล้วก็ต้องได้คําตอบในใจเรา ที่มาเ ย, ยื่ยงตรงตัวนี้ตัวเองก็ทำเพราะอะไรเราต้องตอบแใ่เราได้เราต้องเชื่อในตาเป็นใจของเราว่าเราเวลานี้วันนี้เช้านี้ถึงนขอเราบริสุทธิ์แล้วที่ผ่านมาไม่ต้องจํามนึกถึงเพราะว่าเราตายเวลานี้ไม่ได้ตายเวลาหน้าหรือเวลาที่ผ่านมาเราตั้งใจของเราอย่างนี้แล้วลราัร้กษาบารเราเองขอกําลังของพระ ขัดใจจิตใจของเรามิวันกวรใจเราไหมกามาราคะกวนใจเราไหมปัิตะกวนใจเราไหมรูปยังไงคือว่าความยินดีในกามเนี่ยในใจเราตอนนี้มีไหมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ม, มีไหมในใจของเราตอนนี้มีไหมขณะนั้นนะแล้วตอนนี้เรามีมีความยังฝังโตรด ยกว่ผูกดคนอื่นผูกปฏิบาติคนอื่นในใจของเราตอานตื่นมาใหม่ๆดีไหมเราจะตามไปขูกกดเขาต่อไปดีไหมถามใจเราดตอนนี้ตื่นแล้วมีการว่วงอยู่ไหมระวังมันไปนะตื่แล้วจะมาพุ่งท่านเลิกนี่ยัไม่ได้ทำไหมตอนนี้ต้องทำอะไรคือตั้งใจ阿拉ธนาขอบรารมีพรท่านประเด็ชมาประคับดิสกของเราสงสยัยไหมเราจะสงสัยทําไม เมเราตั้งใจดีเราก็ต้องได้ในสิ่งที่เราตั้งใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่ตายตอให้เราเป็นผู้มีสิลบริสุทธิ์มีทานบริสุทธิ์ก็จะมีสมาธิที่บริสุทธิ์ เ, เกิดสัญญาที่บริสุทธิ์เราไม่ต้องสงสัยเป็นคุณวิจิตของพระพุทธเจ้าไม่ตายจิตเราไม่ตายจิตของใครก็ไม่ตายจิตตายมันตายถึงแค่กาย อย่างนั้นพระพุกธเจ้ายังมีชีวิตจริงยังมีชีวิตอยู่เราสามารถสัมผัสได้เสมอพอเราเกลียวใจของเราอย่างนี้แล้วก็กำหนดเลยเราเอาใจของเราเชิญด้วยตัวจิตตะพ่อใจลองรับพร ะ, ระพระุทธเจ้าเปิดมาโปรดประทับในจิตตะสองเราทำดูว่าใจเราใส่ดีไหมใจเราสะอาดดีไหมนึกอย่างนี้นะ เนด็ดูว่าใจเรและอารมณ์ใจเราเป็นเครื่องวัดนะดูที่อารมณ์ถ้าอารมณ์มันไม่ตามอยากไม่ใช่อารมณ์มีตามหนะักไม่ใช่าอารมณ์มีตามกัวงวลไม่ใช่ต้องเช็ที่อารมณ์อย่าเช็คที่ภาพนะจําไหมนะเช็คที่อารมณ์ใจเราเป็นยังไงถ้าเราวาอารมณ์ใจได้ดีแล้ตอนนี้ใจเราสบายดี ไม่ต้องการอะไรแล้วเราปรารถนาว่าเวลานี้ถ้าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราไปจะไปนิพพานขอพระองค์ทรงโปรดใม้ตาเสด็จประทับเมื่อกี้จากของโลกสักครั้งให้เกิดในเช้าวันนี้พอเรลวาอารมณ์แต่เราเน็กปั๊บถ้าคนมีภาพก็จะปรากฏเห็นภาพถ้าไม่มีภาพจึงมีท่ารูสึกว่าเออมันเบาจังเลยที่สัตว์เราเบาวันที้สบายใจจังเลยนะเราจะรู้สึกสบายก็ต้องใสอารมณ์ไว้จังอารมณ์ไว้ ได้ไว้อารมณ์ที่เราได้รับผลตรงนี้เอาไว้พยายามรักษาอย่าให้มันตกไปง่ายๆตรงวัดสักห้านาทีสิบนาทีไม่ต้องมากแล้วเราก็อธิษฐานขอพร อ, องเสด็จพระจินนาวันกุบาอาจารย์ทั้งหลายเทวราชาระสษ์อัญชนาตุลมาัง ส, ส, ส, ส, สีขอรุกวันนี้จงได้ปลอดภัยจากสิ่งนั้นขอโลกวันนี้จะได้ดําเนินชีวิตเป็นอย่างนี้อย่าให้มีสิ่งนี้ปรากฏตับเ ข, ข้าไปเจ้าเลยก็ขอท่านไป เราสรล้วกราบพระกราบแล้วพีดนอนเป็นหมอนก็งนอนลุกไปทําอะไรไหม่ไปทําอะไรก็ไปทําเราก็เริ่มทบพรมในอารมณ์ของเราที่เราเสวยเมื่อตอนเช้าเราทํำยังไงฝึกบางอารมณ์ใหม่พกพรมใจใหม่วางอารมณ์แล้วก็สวยอารมณ์สวยอารมณ์แล้วนะักษาไว้ว่านานๆพอมาตกก็มาก็วางอารมณ์ใหม่วางอารมณ์ใจให้ได้อย่างที่เราเคยสัมผัสอารมณ์สบายๆใหม่ ทำอยู่อย่างเนี้ตลอดทั้งวันทําเรื่อยๆดึกได้กระทาดึกได้กระทาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อจจเจ อ, อ, อสวยอารมณ์สบายสิ่งที่เข้ามาสัมผัสใจใจมันจะว่องไวมากรับรู้อะไรเร็วเร็วมากผ้าชัดเจนจังใจจะทําไป บ, บ่อยๆถ้าจมาที่จะสามารถจองอารมณ์บางได้นานเท่าไหร่ทานสีก็จะปรากฏจะเจอเร็วเร็วเท่านั้น กำลังามาธิมีวักษ า, าสีดด่จมขจันจะตากปตเสีย อ, อย่างง่ายได้ใช้เวลาไม่มากตรงฌานสี่ได้แล้วมันนั่นจะสามารถจะระโดดอทั้งตัวไหนได้ไปไหนก็ได้เป็นกำนังอจิญญาจต็มที่ึกกันไว้นะตั้งใจทำเข้าใจไหมไอ้ใครทําได้ก็ทำกันไปนะใครอยากจะฝึกก็ฝึกเอาไว้ แต่ก็เป็นยวิธีวิธีหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับทุกทุกคนแต่ถ้าใครคิดว่ามันเหมาะกับตนก็เอาไปปฏิบัติถ้าลราวาอารมณ์เป็นไปแล้วนี่คนที่เคยคล่องตัวในด้านจิตสกุญาตสาม า, ถ า, ารถใช้ยากาสตร์ปัจจัย้ันท่วงทีเป็นสําคัญเรื่องการวางอารมณ์สําคัญการประวยอารมณ์สําคัญต้องรักษาอารมณ์ แรรมันนะอารมณ์ใจต้องโปร่งเป็นเครื่องเจ็บแล้วมันโปร่งแล้วมันเบาสบายโดยจัง่ยนุ่นมันนุ่มนวลมันเยียดเยินแล้วไม่มีอารมณ์คิดอะไรตามคิดที่จะไปคิดตรงกต่อะไรไม่มีมันก็จะโอสบายใจเหมือนอารมณ์ิไมไม่ก็เหมือนอารมณ์ปิิแต่ไม่ใช่ปิมันเป็นอารมณ์ที่รได้รับ ได้รักพระคุณานุภาพด้วยบารณีของพระพุทธองค์ทำให้เราสบายสบายขึ้นเบาขึ้นใจสบายร่างกายถลอยดีไปด้วยถ่า ท, ทำอย่างนี้แม้แต่เรคภัยไข้เก็บของเจออยังคลายตัวได้้าทํารทำแนว เ, เป็นปกติอธิษฐานอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นจะปรารถนาอะไรก็จะปรากฏอย่างนั้น แต่เชื่อคำพูดที่เราพูดไหมต้อไปทำไปปฏิบัติเ ด, ดีก่อนไปทำเขาก่อนลองเดาดูว่าเจ้าทำอย่างจริงจังทุกวันเจ็ดวันไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงเป็น ท, ที่เราตั้งจิตไอ้ฐานตอนเช้าจะปรากฏในวันนั้นไหมถ้าวันนี้ไอ้ฐานวันนี้จะปรากฏอีกสองสามวันข้างหน้าจะนินยมเช้าไหมทำจนไปไอ้ฐานวันนั้นปรากฏวันนั้น แล้วให้สังเกตเอวันนั้นปรกากฏตามที่เราได้ขอพรอ ง, องร์เสด็จพระจินนวนร ม, มารด า, ราได้เปล่าขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ชีวิตเป็นอย่างนี้ขอให้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ขอเป็นเรื่องๆเป็นอย่างนีวันนี้ขอไปไหนก็ใหญ่ที่คนมาอะไรกันเอาแต่ว่าแต่ปเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นไหมมันโปร่งไหมชีวิตเร บ, บโปร่งไหมทำอะไรมันง่ายใดขึ้นกว่เดิไมไถ้าประสบตอนในวันนั้นแสดงว่าเคยใช้อารมณ์ใจถูกต้องใจได้นี่เป็นเครื่องพิสูจนะ ทำแล้วต้องไปเกิดใจของเธอโดยนะสิ่งที่เธอตั้งใจขอพรพระพูทธเจ้าและตั้งจิตอธิษฐานในขณะที่พระองค์ทรงเสด็จมาโปรดเธอบนที่สักแล้วถ้าเธอสามารถจะรักษาอารมณ์ของเธอตลอดได้หมันก็ว่าเธอไปไหนก็มีพระพุทธเจ้าเสด็จไปกับเธอด้วยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนเพิดไปหมด สิ่งที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดหมา่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นของไม่ดีแล้วจะมีวาลักกรรมกี่เนี่นะมันจะพลิกขันไปเลยคนที่ว่าจะเตะไปก้าวเท้าไปข้างหน้าเขาต้องตั้งท่าจะด่าเธอมันจะพลิกอารมณ์ไปเลยคนละคนไปเลยเขาจะไม่แตะต้องเธอเลยแม้จต่คาพูดสักคาก็ไม่กล้าแตะต้องเธอถ้ามาเป็นมิตรพูดยาจาดีทั้งนหา่าต้องทําดูนะว่าจะเป็นอย่างที่ฉันพูดไหม แล้วต้องพสูจนนะอนตาตั้เจตนานใจให้งดนามกราบเรื่องพระบาทพระองค์พระเดพระบรมมหาราชนา้วยครูบาอาจารย์ทุกทพระองค์ทุกพระปูบาละปรนโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมยานเป็นที่สุดพมเทวด า, านางฟ้าทั้งหลายที่เมตตาปกปารักษาคุ้ของในเวลานี้ขอขอบคุณทุ่ทองค์ที่เมตตาสงฆ์ข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าข้า เดี๋ยวเรามาตั้งใจถวยายพระรมกันนะกับเจาผู้เป็นเจ้าภาพแล้วก็โมทนาด้วยนะโมายนดีป่าตามที่เจอให้มาก็ตั้งใจจะร่วมสร้างเขาจะเขไม่เอา <c oughs> เป็นนะยแล้วเอามาเป็นไรแล้วก็เอามาร่ ม, มาพาาามระปรากันนะ้ถือว่าทร่วมกันหมดะะกันเอ <c oughs> อใิ น, นะเอัเอา ตอนนั้นเห็นไหมเออาวุธจะกันจับเขแล้วนะแต่ไหวพระอาพาธใจมาได้เลยมีอะไรจยจะไหวพร้อมๆก็จะเอาาลยเนะ